พุทธบริษัทเรามารวมกันพ่อเพียงกันเพื่อมารับรู้รับเห็นของเทศของจริงอย่างไรอันเป็นพระธรรมคำสอนของพระทธิเจ้าหโ่สงก็จะร่วมกันปฏิบัติมามาชาร์จแบตเตอรี่มาเข้าค่าเข้าแคบคาประสานกันทั้งได้ทบทวนการที่เราได้ทำมาทั้งได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆ ประสบการณ์มากมายสำหรับพระผู้ทำบังกานเผยแพทย์ในด้านกรรมฐานซึ่งเป็นลูกพ่อเดียวกันคือหลวงปู่เทียนเป็นผู้ให้กําเนิดปรมาจารย์ผู้สอนในด้านการเจริญสติปัฏฐานพวกเราก็รวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นสายงานแต่การบังการไม่ขาดตามมาแล้วนับดูก็30งสกว่าปีมาแล้ ว, วเราก็ยังเหนียวแน่น เราทำเนินกันมาตามแบบที่เราได้เห็นพ้องต้องกันทุกปีเราก็มีการเข้าค่ายเข้ามาฐานเชื่อมกันสี่สิบวันปีนี้มาลงที่สุโขโตวเวียนมาที่นี่ก็ผมที่อยู่ที่นี่ก็อุ่นอกอุ่นใจมีผู้ที่มารับผิดชอบมารับรู้รับเห็นเรื่องนี้ เรื่องกรรมฐานหนึ่งคงบม่มีใครหลอกเราได้ก็าออราะเราเคยได้มันเห็นอะไรมันผ่านอลไรมันเป็นมิปัจฉนามันเป็นอย่างไรกรรมฐานเป็นอย่างไรพวกเราก็ลุยมาแล้วในด้านการกระทำสามสิบเก้าวันที่ผ่านมาเราก็ได้บทเรียนจากตัวเราเองไม่มีใครบอกใครสอนเราได้ท่านผิดท่านก็ผิดเองผิดท่านก็แจ้งเอง นี่คือบทเรียนที่มีค่ามากประสบการณ์ที่มีค่าคนอื่นจะไปขี้ผิดขี่ถูกกับท่านไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้เรียกว่าวิชากรรมฐานไม่เหมือนวิชาทางโลกที่คนเรียนมาอันนั้นเป็นวิชาที่มีหลักสูตรตายตัวอันเดียวกันเดสองสองเป็นสี่สองห้เป็นสิแต่ว่าสูตรกรรมฐานนี่ต่างกันต่างกันตรงไหนต่างกันต่างเวละกัน บางท่านก็หลงบางท่านก็รู้บางท่านก็สุขบางท่านก็ทุกข์บทเรียนที่ท่านรู้ท่านหลงก็บทเรียนที่คนอื่นไม่หลงไม่รู้เหมือนท่านมันก็ต่างเวลากันแต่ความหลงกันเดียวกันแต่บางท่านหลงอาจจะไม่มีความรู้ไปเป็นคู่ไม่ได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้แต่บางท่านที่เปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้ หลายโอกาสหลายข้างหลายข่าวเราก็มีบทเรียนเรื่องนี้กันเรียกว่ากรรมอาฐานเป็นตัวใครตัวมันการมีทุกข์ก็มีต้องมีแน่นอนปัญหาทางกายก็มีเกิดขึ้นปัญหาทางใจก็มีเกิดขึ้น่านเที่ยวอย่างไรการทำไงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆหลายอย่างสารพัดสารพที่มันเกิดขึ้นจากกายจากใจเรา หน้าการกายกองถ้าเป็นจิเลศก็พันห้าถ้าเป็นต้นหาก็ร้อยแปดแล้วก็อยู่ที่ตัวเราเราก็หเรียนมาแล้วหน้าอโมทนาเรเรียนกรรมฐานนี่ไม่ได้เหมือนยืนหน้าชั้นเหมือนเรียนนักเรียนอนุบาลประถงมัธยมชั้นอุดมไม่ใช่แบบนั้นเป็นการห้องเรียนในตาราคือกายใจของเราเป็น หลักสูตรมีสติเป็นนักศึกษาผู้เข้าไปดูไปศึกษาเหมือนกับเห็นของเท็จของจริงคำว่าเข้าใจไม่มีมีแต่พบเห็นเป็นเป็นการพบเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรก็ได้ถ้ามันเกิดกับกายกับใจเราเนี่ยนอกกายนอกใจเราก็มีมันพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นคำฐานี่มันพบเห็นมันไม่ใช่คิดเห็นการพบเห็นมันเป็นของจริง ถ้าหลงก็หลงจริงอันความหลงมันก็ไม่จริงเพราะมันไม่จริงเราก็เห็นความหลงบ้านไปยิงใหญ่แต่ก่อนความหลงเป็นใหญ่ความทุกข์เป็นใหญ่ความสุขเป็นใหญ่พอเรามารู้แล้วไ ม, ไม่เป็นใหญ่เลยชิบช้อยที่สุดเลยเพราะตัวรู้มันใหญ่กว่ามันเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนแต่ก่อนไม่มีใครเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเปลี่ยนกันซ้สำซ้อนขลมายคมดี คือกรรมฐ า, านที่ยวที่เรียนมาสามสิบเก้าวันไม่ใช่สามสิบเก้าวันเท่านี้ก็เถรานี่ละหลายรูปประสบการณ์นั่นนี้มาพอสมควรจะรู้สึกช้ำไม่จำนานเป็นปริยารอบรูปมากเก่าเก่าปริยาคือรอบรูปช้ำนาญในด้านของภาวะที่สูงที่ทุกข์ที่รู้ที่ห ล, ลงช้ำนานมากนิดเดียวแป๊บเดียวเอาไปมาจนไม่มีอะไรเละ หมดงานหมดการการบ้านไม่มี น, นีคือกรรมาฐานย่างที่ของรัฐเป็นหมอก็ดีโหงพยาบาลก็ดีบุคลากรของรัฐ บ, บาลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เป็นปัญญาชนทั้งหลายได้มาดูมาเห็นด้วยกัน mm hmm. เห็นกับตาท่านเห็นกับมือท่านทำกับมือท่านทำกับกายของท่านทำกับใจของท่านไม่ต้องไปเชื่อใครมาพิสูจน์ เรื่องนี้ดูขณาที่เราเป็นคนไทยมีคําสอนมีศาสนามกากศาสนาวันคืออะไรกรรมฐานมนคืออะไรวิปัสสนากมันคืออะไรบาปก็คืออะไรบุญมัคืออะไรไม่วิธีอื่นที่ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ได้นอกจกากกรรมฐานเท่านั้นมีเงินมีทองไปซื้อบุญเงินเอาทองไปจ้างให้บาปนี้ก็ไม่ได้เราต้องการทำเอง ที่วากรรมฐานเพระาะนั้นท่านพูดเป็นมายาจนนั้งหลายให้มาดูมาพิสูจน์ดูด้วยต อ, เองเลงพิสูจน์ยังไงเคยไปสอนที่สหรัดฝรั่งบอกว่ายาสอนเรานะจะทํายังไงทําให้เราดูแสดงว่าเขามีความรู้มากอันที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายไม่รู้รู้หมดทุกคน รู้ผิดรู้ถูกรู้ทุกรู้สุขสุขก็ดีทุกไม่ดีโกรธไม่ดีหลงไม่ดีแต่ความรู้ที่เป็นเป็นเหตุเป็นผลมันยังแช่ไม่ได้ให้ไปเห็นเข้าจริงๆเรียกว่าวิชากรรมฐานเ พ, พราะพลังเขาขี้ให้เราให้สอนแบบหลงปู่เทียนนะแต่เงินไม่ต้องสอนหรอกทําให้เราดูเราก็พอยกมือชั้งไงวะความรู้สึกตัวไม่ใช่ประจำออกมา เอากายไปต่อลองลูภาษาฝังนี้ว่าเอาแวเอแวเพื่อนมือสิบสี่จังหวัดหนึ่งเนี่ยอแวอแรูู้นั่นแหละตัวลูตัวนิ่ไม่ใช่คำพูดมันเป็นการจำหมดเอาพิกมือสิบสี่จังหวัดสิบสี่รู้ทำใจที่ถูกเลยวิเนทีหนึ่งลูทีหนึ่งพอดีพ อ, อดีก็พาเขาจาดูพาให้เขาจาดู เขก็สัมผัสไปได้ถามเขาว่าคุณก็ยรู้อย่างนี้ไหมไม่เคยโนโู้ชั่วโมงหนึ่งไม่รู้เลยไม่ไม่รู้รสาสิบนาทีรู้ไหมไม่รู้สิบนาทีรู้ไหมไม่รู้ห้านาทีรู้ไหมไม่รู้เออคุณไปรู้เลยเลยคุณไปโลกไปจันทร์กลับมาแล้ว<น>คุณไม่รู้ตัวเองเหรอขาบอกว่าเขาไม่รู้ทั้งแต่ที่เขา เป็นประเทศอาลยาประชาธิปไตยอาลัยประชาธถตัตยประเทศที่ไม่ตายเขาไม่รู้ื่องความรู้สึกตัวน่ะพอให้เขาทําดูเขาก็ทําไปคือไม่สอนเขาพาเขาทําดูเขาก็ทาไปทําไปเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่มีคําถามไม่จะคําตอบเขาก็ตอบเองเวลารู้เวลาห ล, ล, ลงมันคู่กันพอดี เวลาตีตัวรู้มันจะเห็นตัวหลงถ้าไม่มีตัวรูปภาวะที่รูปมันไม่เห็นตัวหลงถ้ามีภาวะตัวรู้เป็นที่ตั้งเป็นฐานเป็นที่ตั้งไว้มันก็เห็นตัวหลงตัวหลงก็มีตัวรูปก็มีสมผัสตัวหลงตัวรูปลองดูสัมผัสไปสัมผัสไปงั้นเป็นยังไงภาวะที่รู้ที่หลงเน่ยมันต่างกันไหมอะไรเป็นธรรมกว่า ภาวะที่รู้ที่หลงนะ่ะเขาก็รู้จักภาวะที่หลงไม่มีใครทำให้เขาหลงเขาทาเองเกิดขึ้นกับเขาเองภาวะที่รู้ก็ไม่มีใครช่วยเขาเขาก็ช่วยตัวเขาเองโดยการพลิกมือไก่มือยกเบอกเป็นนิมิตที่ตั้งทำไมจึงทำที่ตั้งอย่างนี้เพราะว่าชีวิตของเราไม่เคยตั้งเลยไหลไหลไปทางไหน ไหลไอดีตอดีที่ผ่านมาแล้วอนาคตข้างหน้ายังไม่มาถึงสิบวันห้าวันบางทีก็เดือนหนึ่งปีหนึ่งก็มีมันไหลคืนไปอนาคตยังไม่มาถึงมันก็ไหลไปครับไนดะ้ปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้วินาทีนี้วินาทีหนึ่งมันไม่มีสักทีเลยจึงมีวิชากรรมฐานแบบนี้เป็นคู่ชีวิตที่เป็นฐานเมื่อให้เป็นวินาที ให้มันทีๆ้องดูเขาก็จะรู้ล่ะสัมผัส ด, ดูแล้วโอ้เขาก็เห็นภาวะนี่พอเขาเห็นก็โต ว, วันโกถถินขึ้นมาพอเห็นตัวลูกตัวหลงมันก็ไม่เห็นตัวนี้มันเห็นไปแต่พือพ่อเพืมันจับหลักได้มั้นเราเมตตาเห็นอะไรบ่อยๆมันก็คุ้นตาอย่างหัวงพอเห็นพวกเราอยู่ร่วมกันหลายปีมาแล้วมันก็คุ้น ไม่มีผิดถ้าเห็นใหม่ก็ไม่คุ้นล่ะหลงหลงลืมๆมกันการเห็นตัวรูดตัวหลงเห็นกายเห็นใจเราที่มันมีอาการต่างๆขึ้นรู้หมดเลยรู้หมดรู้ครบรู้ท้วนรู้แช่งนุวยไม่ต้องสงสัยถ้ามีตัวรูดเข้าไปรู้งั้นเราเมา่ตาลองตาในสอนให้คนดูสมุนไพรพาเดินดูตน้นไม้ที่เป็นสมุนไพรในป่าดูที่แรกเขาบอกว่า ตอนใหม่ตอนไหนก็เหมือนกันนะ่ะมันต่างกันที่ตรงไหนรูใหม่ๆเป็นยนั้นไะไปดูพะยารากดําใช่ไหมนั่นตะขามันกัดคนน้องตาเลยพาไปดูยาถอนพิษคือพะยาลากดําไม่ต้องมาถามเราให้ไปดูไปเห็นเอาอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นที่ใดก็ได้กับคนอื่นก็ได้ให้เรารู้เอาไว้พาเขาไปดูพะยาลากดํา ไปดูพญาลากดําไปดูต้นอื่นก็เหมือนเหมือนกันเขาว่าพญาลากดำไปดูรําลวนประโยชอะไรต่างๆมันคลา่คลากันเขาว่าอันเดียวกันเพือ่อดูใหม่ๆอ่ะก็ไปดูไปดูไปเขาก็เลือกดูโอ้ไม่ใช่อันเดียวกันคนละกันการมาเห็นตัวเราเห็นตัวรู้ตัวหลงนะ่ะเห็นตัวสุขตัวทุกข์เนี่ยมันคนลอันกันคนละทิศละทาง มันหน้ามือกับหลังมือแต่เกิดที่เดียวกันความทุกข์เกิดขึ้นใ่ใจความสุขเกิดขึ้นในใจความหลงเกิดขึ้นใ่ใจมันก็อันเดียวกัแต่ว่ามันก็เปลี่ยนได้ความหลงมือกับหน้ามือความไม่หลงมือกับหลังมือเรียกว่าปฏิบัติลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนดูซิความหลงน่ะให้มันทันทีทันใดลองดูมันจะเป็นยังไงผิดหรือถูกเนี่ย เดีวรามาทุกลองเปลี่ยนทว่มทุกให้เป็นตัวลู่ลองดูผิดหรือถูกเคยทําไหมเราจึงมีหลักอย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่สุ่มสี่สุมห้าไม่ใช่สุมหาเรามีพระศาตรามีพระเจ้าเป็นผู้พระสูตรเป็นพระสูตรที่ตัดว่าอย่างนี้เรามาต้องอยุ่งยากเลยเรามาทําตามไปเลยแต่ว่าโง่ยังไงแต่ว่าฉลาดยังไง ตรงนี้หละจะบ่งบอกเราเป็นบุญยังไงเป็นบาปยังไงมันจะบอกเราแล้วมีอะไรบ้างที่จะมาชัดเจนอย่างนี้ในเริ่นการศึกษาแล้วก็ไม่ต้องรอเลยทันทีที่เราจเจริญสติพิกมือขึ้นก็รู้ได้ทันทียกมือขึ้นก็รู้ได้ทันทีไม่รอแม้แต่วินาทีหนึ่งกับวินาทีนึงเชี่ยวออกเชี่ยวเท่าไรก็ไม่มถ้ารู้นะ อันเดียวกันทันทีไม่ต้องรอไม่เหมือนเราทํางานทําการอะไรอื่นเราทำงานอื่นโขเข้าปูกบันกโกอ้อยโกคลิกหรือทํางานเป็นราช ก, การเงินเดือนสาสิบวันจะได้เงินมาบางทีต้องไม่พอใช่เช่จนชาวบ้านยากจนทำงานวันนี้ใช้นี่วันก่อนไม่พอเพราะบันไม่มี ความรู้สึกตัวของเราควนกันล่ะมันไม่มีให้ใช่เลยเพราะเราไม่ได้ประกอบขึ้นมา ท, าทาั้งๆในมันมีอยู่เพราะเราไม่มีเสรจแล้วเหมือ น, นเราไม่มีเงินล่ะเพราะเราไม่มีเ้าไม่มีคนอื่นเขาก็มีเราไม่มีงั้นเขาแต่เงินก็เราก็หาได้เป็นเออเป็นทรัพย์ภายนอกจึงไม่มีวิธีใดที่จะให้ ท่านโตกท่งนใจเป็นเจ้าสรพัดฤทึิเหมือนกรรมฐานเลยทีเดียวในโลกนี้พระธรรมวันพระผู้มีพระเจ้าตัดไว้ดีจริงๆเป็นอาการลิกธรรมไม่มีกาลไม่มเวลาอย่าออนความหนุ่มความสาวมาอ้างอย่าเอานัาบวดขรุขระมาอ้างอย่ารัดทินิการมาอ้างอย่าวันเวลามาอ้างภาวะที่รู้ที่หลงหน่ะไม่อยู่กับเราอย่างนี้ จึงขอท่าทายตามพระพุทธเจ้าด้วยอันหนึ่งเป็นทุลีด้วยเนาไม่อยู่ในหัวใจเราพระองค์ว่าจาดว่าผู้ใดมีสติต่อเนื่องหนึ่งวันถึงเจ็ดวันลองดูพระควรเจ้าเลยหนึ่งวันถึงสี่สิบวันน่ะพิสูจดูเลยถ้าหลอกก็หลอกตัวเองถ้าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อตัวเอง ถ้ามีศรัทธาก็ศรัทธาตัวเองถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่ศรัทธาตัวเองนี่คือของจริงอย่ามาศรัทธาอะไรที่ไหนถ้าเฉื่อยตาก็เป็นความเฉื่อมของตัวเองไม่เชื่อตัวเองถ้ามีศรัทธาก็เชื่อตัวเองก็มั่นคงเลยไะเป็นมักเป็นผลของคนทดด้านไปนี่คือศรัทธาอันแน่วแน่ก้าวหน้าไม่ถอยหลังเพราะเราจึงมี หลักอย่างนี้พวกเราไม่ต้องกลัวคนหมอพยบาบาลทุกชีวิตมันต้องกลัวเรื่องกรรมฐานไม่มีใครหลอกเราได้อาจารย์ก็หลอกไม่ได้ลูกศิษย์หลอกอาจารย์ก็ไม่ได้อาจารย์หลอกลูกศิษย์ก็ไม่ได้เยศเราเมือวางไว้บนเขา้าใครเป็นคนรู้เราพลิกมือขึ้นใครเป็นคนรู้อาจารย์มองดูเนี่ย มือของท่านอยู่บนเข่าอาจารย์บอกว่ามือของท่านอยู่ข้างหลังแตเชื่อไหมละ่ะไม่มีใครเชื่อมือของเราวางอยู่บนเข่าแท้ๆทำไมอาจารย์นึงว่าอยู่ข้างหลังใครเป็นคนตอบอาจารย์ตอบให้ถูกไหมไม่ถูกเลยใครเป็นคนตอบเราตอบเองกรรมฐานเป็นวิชาที่ตอบเองไม่เหมือนวิชาทางโลกนะมันหลงก็ตอบเองมันทุกข์ก็ตอบเอง ไม่มีวิธีแค่ทางนั้นเกี่ยวข้องกับกายกับใจมีตัวอย่างที่สุดเลยมันหลงก็บรู้เป็นคู่กัน่ะตัวรู้ตัวภาวะที่รู้ตัวเนี้ยสารพัดประโยชน์เลยเอาไปเกี่ยวข้องความสุข ก, ก็รู้ความทุกข์ก็รู้ลองดูความโกรธก็รู้ความไม่ตกกังวลสมองความยากความง่ายก็รู้ไปเลยร้อนหนาวรู้ไปเลยหิวก็รู้ไปเลยเหนื่อยไม่ล่าก็รู้ไปเลยวงเหงาหง่อนก็รู้ไปเลย บุกไปเลยอย่างเนี้ยยิงได้ ว, ว่าเจ้าสารพัดเนี้ยถือว่าทุกอย่างก็ได้อันภาวะที่รูเ้เนี้ยเป็นคําสอนที่รวมลงเหมือนรอยเท้าของช้างใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์อื่นรอยเท้าสัตว์อื่นมารวมลงที่รอยเท้าของช้างได้ภาวะที่รู้เหมือนรอยเท้าของช้างอันอื่นมาลงตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่ขนาดนี้นะยิงไม่ยิงมาไปจู่ๆกันดู คนหมอทั้งหลายภานเจ็ดวันน่ะแล้วอุ่นใจอย่างน้อยก็ต้องมาประสบการณ์กับตัวลูกตัวหลงให้มีบทเรียนจากตัวเองมากจะได้ไปใช้ชีวิตของเราอย่างสง่างามพอตัวอ่านออกเขียนได้เหมือนท่านเป็นหมอพอเย็นคนป่วยมาท่านก็ตอบเองไม่รู้ใครเป็นหมอเป็นแพทย์านถึงข่าวที่ท่าน พบเห็นคนป่วยบ่าท่านก็ดูออกเพราะอะไรเพราะท่านมีความรู้สามารถทําได้เป็นงานที่แน่นอนที่สุดงานหมอ ง, งานพยาบาลหลงตาเนี่ยมองพยาบาลเหมือนเทพธิดาของเรามองคนหมอเหมือนเทพประมุของเราเพราะเราเคยรอดตายจากหมอพยาบาลเหล่านี้มาเห็นฝีมือแล้วท่านมีความรู้จริงๆแต่ความรู้จึกตัวเนี้ มันยอดเยี่ยมกว่านั้นอีกอันนั้นท่านให้ความรู้ช่วยตัวเองคนอื่นได้อาจจะช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าอันตัวรู้ตัวเนี้มันช่วยคนอื่นก็อาจจะได้ด้วยแนะนำช่วยตัวเองได้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยการที่ช่วยคนอื่นก็มีวิธีเยอะแย ะ, เ, ยยะเวลานี้กำลังสร้างกลุ่ม5นาทีทองก่อนจะขาดขึ้นมาเพื่อไปช่วยคนใก้จะตาย เคยไปช่วยอยู่ที่สลรัฐอเมริกาที่วอตตันม า, าวิไลวอตตันน่ะคนป่วยไปยืนสวดพระสตดต่างๆให้คนป่วยฟังเรียกร้องความรู้สึกเขาขึ้นมาคนป่วยคนใก้ตายเนยมันมืดแบบ ด, ด้านเลยเราจึงไปสวดพระสตดบางบทให้เขาได้ยินเรียกเขากลับขึ้นมาก็ามีผลตอบสนองเกือบทุกหลาย เพราะนั้นอันนันมก็สายกันไปแล้วจนใกล้จะตายนี่เรามาตื่นแต่ดึกศึกแต่หนุ่มย้อมจะงบเราฝึกย้อมศึกเราลบได้เพราะเราเป็นความรู้เหมือนท่านเป็นหมอสามารถยืนหยัดอยู่กับปลายคี้ของท่านได้ได้จริงๆอ๋อดูโรคหลงตาก็เนื้อในตะบอนเกิดจากก้อนเนื้อตัวเลยลอมคอไปสูตะบอนรักษาได้ ให้ยีโมตัวใหม่เข้าไปเลยพระพเจ้าไปเสียวิจารรักษาอื่นใดทั้งสิ้นให้ยีโมหลองข้อโดยด่วนเพื่อให้ก้อนเนื้อลําคอให้ท่านหายใจได้เอะมีความรู้จริงๆริงให้ยีโมลงไปเป็นคําพูดที่เด็ดนี่มันตัวหลงจริงๆตัวหลงไม่เป็นธรรมจริงๆตัวรู้เป็นธรรมกวนจริงๆใครบอกเราเราตอบเองขี้ขาดไปเลยเลย นี่เลยว่าป่าชาเทียมใดหรือว่ามาตรฐานมาตรฐานของชีวิตมาตรฐานของวิชาการต่างๆจบเลยจากศาสตร์ต่างๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมฐานเนี่ยมันก็ครบวงจรนะมากกว่าอันอื่นนะถ้าเรามาศึกษาเรื่องนี้กันเอาละเป็นวิชาเอกของเราเอกเรื่องนี้กันเอกกรมาโควิสุตติยา เป็นหมายเลขหนึ่งทางฟรีเวย์ของพวกเราไม่มีจนเลยในโลกนี้ถ้าเป็นทางก็ฟรีเวย์ประเทศไทยเราไม่ฟรีเวย์นะมีแต่ไฮเวย์ประเทศที่พัฒนาแล้วมีฟรีเวย์ไม่มี way, ไฟแดงไฟเขียวเว่งได้ทั่วประเทศเลยถ้าฟรีเบย์นี่มีแต่รถนั่งวิง่งโดยสารรถบรรทุกไม่ต้องมาวิง่งกับรถนั่งก็ปลอดภัยเกือบรอดไปจ ไม่มีรถชนข้างหน้าแต่รถก็ชนด้านหลังกันแล้ยว่าฟรีเวย์ชีวิตเราควรจะมีฟรีเวย์ผ่านได้ทุกสถานการณ์อันเรื่องเกิดขึ้นกับวัยกับใจน่ยเราจะจนหรือเรื่องมันเกิดขึ้นกับเราแท้แท้เนี่ยมาเถอะมาจัดเสาร์เรื่องนี้กันนะให้สุดความสามารถเจดวันที่ทำหนูดูเราจะอยู่ร่วมงานสุกทุกลมกันนน่ๆพออยู่กันได้ มีตั้งพระสงฆ์องค์เจ้าอุบาทศกบาิกาพุทธบริจัททั้งสี่เนี่ยไปทถอดทอนอะไรเวีนใจเวีนใจรังตานะเพราะนั่นก็นนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านที่เข้าสู่สุกตมันเป็นธรรมเนียของเราอยู่แล้วทั้นมาที่ไม่ต้องแกงโอแกงใจอะไรคิดยากระมักอะไรเหมือนกันพวกเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องคิดเรื่องกินเรื่อง อะไรต่างๆเขาเหนื่อได้คิดให้เราแล้วแต่เราต้องช่วยตัวเองในทุละของส่วนตัวจึงพออยู่กันได้ผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาส่ววาดของเราที่ทั้งไม่ในมีอย่างนั้นไม่ต้องมาแจ้งให้ใครทราบที่นี่ถ้าต้องการมาก็มาเวลยก็ได้บางทีก็มากบ้างน้อยบ้างอาจจะไม่สะดวก ความไม่สะดวกความบากอาจจะทําทให้เราเข้มแข็งความสะดวกสบายอาจจะทําทให้เราอ่อนแอได้ผวามยากความจนทําเราเข้มแข็งได้เหมือนกันอย่าไปท่อถอยนะแม้แต่เราเจ็บไข้ได้ป่วยมะเร็งอันดับที่4แล้วหลวงพอ่อเอาหายก็ไม่เป็นไรตายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอ่อนเแอเราไม่ต้องตายเพราะโรคมะเร็งเราไม่ต้องดีใจดีถูกเพราะโรคมะเร็งหายเราอยู่ของเราเอง จะว่าย่างไรอะหายก็ไม่เป็นไรเนี่ยตายก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันทำได้ไหมชีวิตเราคนหนึ่งมันต้องทำได้พระเจ้าเนี่ยเหลืองกันเกิดเจ็บตายคือเรื่องนีน้วิธีที่ทำาเรื่องนี้ได้คือเจริญสตินี่แหละเนี่ยพิสูจน์ลองดูถ้าทายมาสอง0ันกว่าปีมาแล้วเราก็ดีใ จ, ใ จ, ใ จ, ใจอุ่นใจอบใจอะให้สบายใจได้เลย สุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันไม่เป็นไรเจดวันทั้งเดง้งอย่าไปคิดหน้าคิดหลังอะไรจะทำได้ยังไม่เนาะควจะไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างั้นได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรถูกก็ไม่เป็นไรตรงนี้เลยว่าตั้งไว้ถูกมักกันไปะไรไม่ใช่ว่าจะเอาได้จะเอาไม่ได้แม้เวลามันผิด ก็ไม่พอใจเวลามันถูกพอใจเขาไม่ใช่กรรมฐานมันถูกก็เห็นมันเนี่ยมันผิดก็เห็นมันมันทุกก็เห็นมันมันรู้ก็เห็นมันมันไม่รู้ก็เห็นมันน่ะไม่มีทางเสียเลยมันรู้ก็เห็นมันมันไม่รู้กเห็นมันมันผิดก็เห็นมันน่ะภาวะตัวรู้มันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเหนือเหนือโลกไปเลยห่ะเนี่ยมันรู้เนี่ยมันสุขก็รู้เห็นมันมันทุกข์ก็รู้มันแต่ วิธีที่ลูกก็มีอยู่แล้วล